จากนี้ไปขอเชิญสาธุชนสดับรับฟังรายการธรรมและทัศนะชีวิตบรรยายธรรมโดยอาจารย์วะสิ์อินทศละสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับได้เคยการธรรมและทัศนะชีวิตนะครับมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับโดย ผมวสินินทัศระจะได้นำธรรมะต่างๆมาคุยกับท่านผู้ฟังรวมทั้งทัศนชีวิตเท่าที่เห็นสมควรจะนำมาคุยกันวันนี้จะเริ่มเรื่องใหม่ครับอาจจะเป็นเรื่องเบ็ดเตล็ดไปก่อนก่อนที่จะหาเรื่องที่ยาวๆมาคุยกับท่านผู้ฟัง ชุดๆไปวันนี้จะคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องวิญญาณนะครับเรื่องวิญญาณวิญญาณนี่ตามตัวก็แปลว่ารู้แจ้งวิแปลว่าแจ้งหรือตาญานก็แปลว่ารู้ความรู้ ก็มีหลายอย่างครับวิญญาณนี่มีหลายอย่างบางทีก็เรียกตามตามตามที่เกิดเรียกตามแหล่งที่เกิดของวิญญาณแล้วเกิดทางตาก็เรียกว่าวิญญาณทางตาก็คือความรู้ทางตาแต่เช่นมาจากกูวิญญาณหรือจักสัววิญญาณ เกิดทางหูเขาเรียกว่าโสตวิญญาณคือความรู้ทางหูนั่นเองรู้อะไรก็รู้รู้ป่ารมทางตาแล้วก็รู้สัตว์ารมณ์คือเสียงทางหูเป็นต้นไหยครับทีนี้ก็วิญญาณอีกชนิดหนึ่ง เขาเรียกว่าเผ่าพังธข่าวิญญาณหรือวิญญาณที่เป็นส่วนที่เก็บกรรมว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วต่างจักก็อยู่รวมกันอยู่ในเผ่าพังธข่าวิญญาณเป็นเป็นอุปนิสัยเลยนะครับเป็นอุปนิสัย เป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยเป็นอัทยาศัยคือว่าสิ่งที่เราได้ทำแล้วได้คิดแล้วได้รู้สึกแล้วบางทีเราม่กว่ามันหายไปแล้วแต่ความจริงมันไม่ได้หายไปไหนมันลงไปสะสมกันอยู่ กันอยู่ในผวังขวิญญาเรียกว่า unconscious Un mind หรือจิตไต้สำนึกทีนี้ก็วิญญาณทางตาทางหูเป็นต้นนี้เรียกว่าจักูวิญญาณโสตวิญญาณนี้ก็เป็นวิถีวิญญาณวิญญาณความความรู้ ไปตามจักรสุกังตามโสตะคือหูบังอันนี้อาศัยสิ่งใดเกิดก็เรียกตามชื่อของสิ่งที่อาศัยเกิดที่ท่านเรียกว่าเหมือนไฟไฟฟางไฟที่เกิดจากฟางก็เรียกว่าไฟฟางแล้วไฟที่เกิดจากแกลบก็เรียกว่าไฟแกลบ ที่เกิดจากไม้ก็เรียกว่าไฟไม้ก็ไฟนั่นแหละนี่ก็มีคนสงสัยว่าคำว่าจิตบางมโนบงังวิญญาณบางมีหลายชื่อเรียกนะครับเหมือนกันหรือตามกันมีคำกล่าวว่าจิตตังมโน เราวิญญาณันติอัตโตเอกังคำว่าจิตหรือมโนหรือวิญญาติมีความหมายอย่างเดียวกันก็โดยใจความแลอโดยใจความก็เป็นอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องแยกทํำไม่ต้องไปผ่าเส้นผมไม่ต้องแยกให้ลําบากเราไม่ต้องไปแยกเรียกหรือว่าพยายามที่จะวิเคราะห์สัพท์ วเคราะสจับแล้วก็ตีความหมายไปตามการวิเคราะห์ไม่ต้องพยายามพาเช่นผมไม่ต้องไปพาเช่นผมเอาเอาว่ า, าคำนี้ท่านเรียกสิตบ้างมโนบ่างวิญญาณบ้างมันนัดบ้างเรียกได้หลายอย่างถ้าบางคน บางคนก็เชื่อเรื่องตายแล้วไม่เกิดอันนี้พุดถึงเรื่องวิญญาณวิญญาณที่ไปเกิดมาเกิดอะตมาคนที่มาจากชาติก่อนมาเกิดในชาตินี้หรือว่าตายแล้วไปเกิดในชาติใหม่อะไรไปเกิดมาเกิดแต่ต่อว่าวิญญาณ น, นี่แหละไปเกิดมาเกิด ทีนี้บางคนก็บอกว่าเมื่อก่อนนี้เคยเชื่อเรื่องตายแล้วเกิดไม่ถึงร้อยเปเซนคือว่ายังมีความสงสัยอยู่บ้างทีนี้ก็ต่อมาต่อมาก็เชื่อมดัดเชื่อว่าตายแล้วเกิดร0อยเปอร์เซเหตุที่เชื่อก็โดยสามอยา คือว่าเชื่อในพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านรับรองเรื่องนี้ประการที่สองก็อาศัยการสังเกตพิจารณาสิ่ ง, งตา่างๆโดยเยกกายหรือโดยโยนิโสมณัสิการประการที่สามามีข้อความ มากลายในตำราทั้งชั้นพระเจ้าปีตุกทั้งชั้นอัตถกถาและดิกาอนุดิกาแห้รวมทั้งประกรณ์พิเศษต่างๆก็ได้ระบุถึงวิญญาณให้ระบุถึงจิตเรื่องตายแล้วเกิดเอาไว้มากก็เลยก็เลยเชื่อเชื่อร้อยเปอร์เซนประการที่หนึ่งเชื่อพระสัพพัญญุตยานของพระพุทธเจ้า การที่สองเชื่อด้วยการสังเกตพิจารณาแระการที่สามเชื่อเพราะว่ามีตำราเป็นจำนวนมากท่านชั้นประเจ้ปิฎกอัตถกาตาและดีกาอนุดีกาบอกเอาไว้จริงอยู่นะครับในการามะสูตรมีข้อความว่ามาปิตกะสัมปทานเนะอย่ารับเชื่อด้วยการอ้างตำรา แต่ก็คงไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธตำราทั้งหมดคงยากเพียงแต่ว่าไม่ให้เชื่อตำราไดยไปท่านั้นคือว่าให้พิจารณาตำราบ้างเพราะตำราก็อาจจะผิดได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะผิดได้เหมือนกันเพราะว่าตำราก็มีคนแตก แต่คนแต่งำํำราก็มีโอกาสที่จะพลาดได้ไม่ใช่ว่าจะถูกต้องเสมอไปเพราะนั้นผู้านผู้อา่อานก็ต้องพยายามพินิตพิจารณาด้วยตนเองใช้ปัญญาของตนเองบ้างตามสมควรเพราะฉะนั้นแล้วเราจะศึกษาเล่าเรียนกันไปทำไมมากมายถ้าเกิอว่าไม่ใช่เพื่อจะได้มีโอกาสใช้ปัญญาของเราเอง ตามสมควรอืแต่ก็ไม่ววดดีเกินไปจนถึงกับไม่ยอมเชื่ออาตาราใดๆซะเลยตํารานั้นกว่าจะเป็นตําราขึ้นมาได้ท่านผู้รู้ท่านก่อคิดแล้วคิดอีกเรียบแยงแล้วเรียบเรียงแล้วเรียบเรียงอีกคิดแล้วคิดอีกใ่จองแล้วใจจองอีก ก็จะออกมาเป็นตำราได้แต่ก็แน่นะครับมันก็มีตำราที่ใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างรา้ก็ใช้ปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาตำราอีกทีหนึ่งนี่ก็เมื่อได้ตำราที่เป็นหลักฐานแล้วก็มันตรกตรองตำรานั้นโดยโยนิโสมนสิกา ด้วยการนำมาสอบสวนพิจารณานำมาสอบสวนพิจารณาความเป็นไปในชีวิตมนุษย์ซึ่งมีปกติขึ้นลงไม่เสมอกันเื่อประการๆจะต่อประการสำคัญพบคือว่า เราเชื่อในข้าปัญญาแต่รู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็เชื่อว่าเรื่องทานองนี้พระพุทธเจ้าจะต้องจัดไว้จริงเราไม่มีประโยชน์อะไรที่พระองค์จะหลอกหรือว่าไม่จริงหรือว่าพูดไม่จริงในพระไตรปิฎกบางแห่งนะครับโดยกล่าวถึง ป้านนล์ก็ทูลถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าที่เรียกว่าพบนั่นคืออย่างไรพระพุทธเจ้าก็จัดย้อนถามว่าอนอนล์หากกรรมอันสำเร็จจากกรรมอาทาศไม่มีหากกรรมอาพบจะมีหรือไม่ป้านนล์ก็ทูลตอบว่ามีไม่ได้พระพุทธเจ้าก็จัดย้ำว่าอ An ิติโคอานันดา กรรมเงเขตัง laser, ้งวิญญาณนางบีชังตนาสินเนโฮอันนี้เลยอนุนกรรมเป็นเหมือนเนื้อหนากรรมเป็นเหมือนเนื้อดินวิญญาณเป็นเหมือนพืชตนะเป็นเหมือนยางในพืชวิญญาณกรรมเป็นเหมือนเป็นเนื้อหนาวิญญาณเป็นเหมือนพืชตนาเหมือนยางในพืช ขอสรุปให้สั้นลงมานะครับว่าพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ยอมรับเชื่อว่าวิญญาณหรือจิตเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแล้วก็มีอยู่สองอย่างสองอย่างหรือสองระดับสองประเภทก็ได้คือว่าวิญญาณที่บริสุทธิ์แล้ว หมายถึงวิญญาณของพระอาหารหันต์ซึ่งเมื่อท่านสิ้นชีวิตไปวิญญาณก็จะแห่รับครั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่เกิดขึ้นอีกประการที่สองก็เรียก ว, วิญญาณที่ยังไม่บริสุทธิ์หรือวิญญาณของผู้ที่ยังมีกิเลสวิญญาณนุจจิตก็ได้นะครับที่ยังมีกิเลสยังต้องต้องเที่ยวและหกกระเกินอยู่ในสังสารวัฏ พประสบสุขบ้างทุกบ้างในพระไตรปิฎกกุธกานิกายกล่าวถึงบุคคลหรือวิญญาณสองประเภทอันนี้ก็ในกรณีเมตตาสูตรนะฮะในกรณีเมตตาสูตรในกุธกานิกายกุตกาปาธาตุพระไตรปิฎกเรมยี่สิบห้าเปิดดูหน้า ต, นต้นก็จะเห็น ประเภทคือภูตาและก็สัมภเวสีภูตานั้นหมายถึงพระอาหารหันต์ส่วนสัมภเวสีหมายถึงวิญญาณหรือบุคคลที่ยังวนเวียนตายเกิดอยู่ตั้งแต่อาณาคามีลงมาจนถึงสัตว์ทั้งหลายทุกประเภทสาธุตั้งแต่อานาคามีลงมา ทั้งหมดทุกภพทุกภูมิยกเพื่อพระอาหารหันนอกจากนั้นเป็นสัมภเวสีหมดท่านคนที่คิดว่ า, าสัมภเวสีคือวิญญาณที่เที่ยวสวยขณะที่เกิดถ้าในความหมายที่ว่ายังต้องเกิดอีกอันนี้ก็ถูกแต่ไม่ใช่เห็นผีแล้วก็บอกว่านี่สัมภเวสี ไม่ใช่ครับ น, นั้นเขาเกิดแล้วเขาเกิดเป็นอย่างนั้นนะ่ะอย่างที่เยาวินนั่นนะหละเมื่อไรบอกว่าเมื่อไรจะไปเกิดเสียที่ เ, เกิดแล้วแหละเกิดเป็นอย่างนั้นนะ่ะที่เขาเป็นนะ mm hmm. ว, วิญญาณที่ยังเศร้างหาพบที่เกิดเพราะว่ายัางไม่หมด <c oughs> ยังไม่หมดกรรมก็ต้องประสบสุขบ้างทุกข์บ้างต้องขอ รับความช่วยเหลือจากมนุษย์บ้างเป็นข้างคราวไปเป็นข้างขราวไ ป, ป, วไปต้องขอความช่วยเหลือจากมนุษย์บ้างเป็นข้างข่าวบางขราวก็มนุษย์ก็ช่วยเหลือเขาก็ได้รับความสุขไปบางขราวก็คอยคอยมนุษย์ไม่ได้ช่วยเหลือเขาก็ต้องคอยต่อไปคราวนี้ ถึงวิญญาณที่ยังไม่บริสุทธิ <c> ์ <oughs> ที่เราหกประเหนินสุขบ้างทุกบ้างวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏหา้าวิญญาณที่อาศัยอยู่ในร่างของพวกเราทั้งหลายนี่ก็มีเหมือนกันเช่นกันเช่นเดียวกันส่วนใหญ่ก็เป็นความทุกข์มากกว่าความสุข ทั้งหลายมีที่มีวิญญาณยังหมักมมอยู่ด้วยกิเลสก็ต้องระหุระเหนไปในความทุกข์นานาประการในเมื่อวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อใดที่วิญญาณบริสุทธิ์แล้วเมื่อนั้นก็จะพบความสุขสงบก็สบาย นี่ถ้าจะตั้งคําถามว่าทําอย่างไรวิญญาณจึงจะบริสุทธิ์วิญญาณนี้ทําความเข้าใจให้ดีนะครับวิญญาณหมายถึงจิตจิตทําอย่างไรจิตจึงจะบริสุทธิ์ไม่ใช่วิญญาณในความหมายของชาวบ้านะที่วิญญาณเที่ยวเร่ ร, ร่อนอะไรอย่างนั้นถ้าหมายถึงจิตทําอย่างไรวิญญาณหรือจิตจึงจะบริสุทธิ์ ตอนนี้ก็จะมาถึงปัญหาเรื่องวิธีพัฒนาวิญญาณหรือพัฒนาจิตไปสู่ความบริสุทธิ์ภายในพระสูตรบางพระสูตรเช่นสัพพาสวะสังเบรสูตรในมัชฌิมนิกายมูลปัญ น, นาฏพระไตรปิโตเกลมสิบสองได้กล่าวไว้ว่าวิธีที่จะทำให้จิตหรือวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีอยู่เจดวิธีด้วยกัน วิธีที่หนึ่งเรียกว่าทัศน ะ, ะทัศนะคือการได้ดูได้เห็นอะไระต้องมีโยนิโสมนสิกาให้พิจารณาอย่างแยกไายพิจารณาโดยตลอดถึงต้นต่อถึงเหตุเกิดเหตุแต่ไม่เพียงแค่ดูหรือเห็นเฉยๆมีผลในทางทาให้คลายความติดได้ อาจจว่าดูเป็นหมาถึง ด, ดูเป็น <c oughs> ว่ได้ดูได้เห็นอสิ่งใดแล้วก็ต้องมีโยนิโสมนสิกการพิจารณาสิ่งที่ได้ดูได้เห็นนั่นโดยแยกไายสาวไปถึงต้นต่ อ, อแล้วก็รู้จักเหตุเกดเิดเหตุดับของมันไม่เพียงแต่ดูหรือเห็นเฉย อันนี้ก็มีความสำคัญในการที่จะทำให้เราคลายความติดได้เพราะมันไปรู้ไปถึงต้นตอของมันการเห็นนี่สำคัญนะครับ <c oughs> เพราะว่าวันวันหนึ่งเราใช้ตาเยอะเลยเห็นสิ่งนั้นบางสิ่งนี้บางเห็นแล้วทำให้เกิดบุญบางเห็นแล้วทำให้เกิดบาปบางเห็นแล้วทำให้เกิดโทสะบางเห็นแล้วทำให้เกิดโลภะบางเห็นแล้วทาให้เกิด เมตตาบ้างให้เกิดปัญญาบ้างอันนี้มันอยู่ที่โยนิโสมนสิการอยู่ที่การรู้จักพิจารณากับพิจารณาว่ า, าควรจะคิดอย่างไรก็เห็นแล้วออกมาคิดอย่างไรคิดให้เป็นคนเห็นสิ่งเดียวกันหรือว่าได้ฟังสิ่งเดียวกัน คนที่คิดเป็นมันก็จะได้ประโยชน์จากการเห็นจากการฟังแต่คนที่คิดไม่เป็นก็จะไม่ได้ประโยชน์จากการเห็นจากการฟังสำหรับคนที่คิดเป็นได้เห็นอะไรได้ฟังอะไรได้รู้อะไรมันเป็นประโยชน์หมด <c oughs> มันเป็นประโยชน์แก่เข้าทั้งหมดเลยไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น เรียวกว่าเอามาใช้ประโยชน์ได้หมดไม่มีเหลือเลยแม้แต่ชิ้นเดียวถ้าเอามาใช้ประโยชน์ได้หมดพ <c oughs> ้าท่านลองคิดดูอย่างนี้ก็ได้ครับคิดดูสิ่งที่เป็นรูปธรรมง่ายๆของที่เราใชาแ้แล้วเมื่อเวลามันเสียแล้วเราซ่อมไม่เป็นลรวก็ทิ้งมันไปพอที่มันไปคนที่เขาซ่อมเป็นเขาทาเป็นเขาคิดเป็น เขาเอาไปแล้วไปซ่อมใช้ได้เดี๋ยวก็ไม่ซ่อมเขาทำอย่างอื่นก็ไปทาอย่างอื่นเอาไปขายเอาอย่างได้เงินเอาไปดัดแปลงทำสิ่งเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เขาทำเป็นเราะเห็นที่ว่าเขาทำเป็นเขาคิดเป็นเขาทำเป็นคนที่ทำไม่เป็นก็ทำไม่ได้อังนี้ครับ เหมือนเหมือนกันแต่ข้อนี้ฉันได้ข้อนั้นก็เหมือนกันคือว่าได้เห็นแล้วได้ฟังแล้วได้ยินแล้วได้รู้แล้วมีเรื่องราวเกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเป็นประโยชน์กับเขาหมดเขาเอามาคิดเป็นประโยชน์ได้หมดเหมือนกับคนที่ซ่อมเก่งอะไรอะไรที่คนอื่นเขาใช้ไม่เป็นใช้ไม่ได้เขาเอาไปใช้ได้หมดอย่างนี้ครับ มันดีอ่ะครับมันดีรู้ว่าทุกไม่เป็นเสร็จแล้วก็เลยทุกไม่เป็นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็มีคนถามว่าเป็นไงคิดไม่กังวลไม่เป็นทุกข์ไหมเฮ้ยทุกไม่เป็นไม่รู้ว่จะทุกข์ทำไมอย่างนี้นก็ดีอ่ะครับชีวิตก็จะเป็นชีวิตที่ดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับเพิ่งได้ข้อเดียวครับวิธีที่จะทํำปัญญาหรือจิตให้บริสุทธิ์มีทั้งหมด เจ็วิธีด้วยกัน่ก็มาถึงวิธีเดียวคืนนี้ก็จะพูดข้อที่สองนะครับ ข, ข้อที่สองข้อที่สองก็คือสังวระสังวรข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งทัศนนะทัศนนะหมายถึงว่าเระวังในเรื่องการดูการเห็นมีโยนิโสมนสิการอย่างแยบจน พิจารณาเรียก ว, ว่าดูอะไรด้วยโยในโสมนัสิกาณที่นี้ก็ข้อที่สองในสังวรสังวรสํรวมคือสํรวมอิกสี่หกคือสํรวมตาหูจ ม, มูกิินกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายไม่ให้พิจาความอยากได้หรือโทมนัสความเสียใจ เมื่อเห็นรูปด้วยตาเป็นต้นก็วางใจอยู่ในอุเบกขาให้สักแต่ว่าเห็นหรือได้ริงก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาอุปาทานอย่างนี้เรียกว่าสังวร ะ, ะสํารวมที่จริงในชีวิตประจำวันของเรานะครับก็อย่อมจะได้เห็นได้ฟังได้ลิมรส ได้สูดกลิ่นได้ลิ้นรสได้ถูกต้องสัมผัสหรือพุทักพารู้อารมณ์ต่างๆก็ซึ่งน่าพอใจปังไม่น่าพอใจปังถ้าเป็นธรรมดาแต่ว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะได้เห็นได้ฟังอ ได้สูดดมได้ได้สูดกลิ่นได้ลิ้มรสได้ถูกต้องโผดผาหรือสัมผัสที่น่าพอใจประการเดียวมันต้องได้ได้เขียนได้ยินได้สูดดมได้ลิ้มรสได้ถูกต้องผัสสะหรือรู้อารมณ์ที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง เป็นที่พอใจบ้างไม่เป็นที่พอใจบ้างอันนี้เป็นธรรมดาแล้วเราก็ห้ามไม่ได้ด้วยแล้วก็หวังไม่ได้ด้วยว่าขอให้เราได้เห็นแต่สิ่งที่น่าปรารถนาน้าพอใจได้ฟังแต่คำที่เรื่อคำหรือเรื่องราวที่น่าปรารถนาน่าพอใจอได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสได้ถูกต้องสัมผัส ที่น่าปรารถนาน่าพอใจแต่ประการเดียวยอมเป็นไปไม่ได้แม้เราจะขอร้องวิงวอนอย่างไรก็เป็นไปไม่ได้มันต้องได้เห็นได้ฟังสิ่งที่เป็นที่พอใจฟังไม่เป็นที่พอใจต่างที่สำคัญก็คือว่าเรามาแก้ไขเอาที่จิตใจของเรามาดัดแปลงแก้ไขมาเปลี่ยนแปลง เอาที่จิตใจของเราคือว่าอ่าถ้าเห็นว่ามันเป็นขยะมูลฝอยก็เปลี่ยนให้เป็นปุ๋ยเสียเปลี่ยนให้เป็นปุ๋ยเสียนี่ถ้าเห็นว่าอ่ามันเป็นมะนาวเปรี้ยวก็เหยาะน้ำตาลลงไปเพิ่มน้ำลงไปให้มันเป็นมะนาวหวานเสียเขามีวิธีทําอย่างเนี้ยกับเรามาเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอาที่ใจ แต่ว่าสำหรับสิ่งที่ได้ได้เห็นได้ฟังจะจะให้ได้พบได้เห็นแต่สิ่งที่พึงใจพึงปรารถนาได้ฟังแต่สิ่งที่ศรัทธ า, ารมที่น่าปรารถนามันเป็นไปไม่ได้ในชีวิตประจาวันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ เ, เราจะทําได้ก็คือการ มาเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่จิตใจของเรามาสำรวมอยากเรียกว่าสำรวมเราฟังจิตใจของเราเราขอเปรียบให้ดูว่าโลกนี้เหมือนทะเลใหญ่มันมีคลื่นอยู่ตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่ถูกคลื่นของโลก ทางที่เราจะทำได้ก็คือว่าเราสร้างเรือให้ใหญ่ให้มั่นคงแล้วก็เราเป็นต้นหนนที่ฉเฉลียวฉลาดเป็นนายเรือที่เก่งรู้ทิศทางลมรู้อะไรต่ออะไรสารพัดอย่างแล้วก็สามารถจะนำเรือของเราฝ่าขึ้นลมไปได้โดยปลอดภัยไม่ให้อับปาง ในระหว่างทางอันตรภาพนี้พระพุทธเจ้าเปรียบมันเรือเปรียบมันเรือว่าสินจะพิกุอิมังนาวังดูกรภิกษุเธอจงวิทย์เรือคืออันตรภาพนี้วิตย์เรือคืออันตรภาพนี้ เ, เรือที่เธอวิตยแล้วจักถึงเร็วเรือที่เธอวิตยน้ำออกแล้วจับพลันถึง มัน เ, เรืออาจจะอัจะภาพของเราร่างกายของเราเปรียบเหมือนเรือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็กายกายนี่ก็เปรียบเหมือนเรือท <c oughs> ีนี้นายเรือก็คือใจของเราไ <c> อ <oughs> ้นายเรือก็คือใจของเราอทีนี้ต้อง ประครับประคองสิ่งเหาเนี่ยไปให้ดีฝ่าขึ้นลมไปในทะเลใหญ่คือสังสารวัตินี่สินจาบพิขุอิมังน่าฟังดูกรภิษุคือือผู้เห็นไยในสังสารวัตเธอทรงวิทย์ทเรือคื อ, อนต่ภาพนี้สิตาเตระุเมสติเรือที่เธอวิทแล้วจะพพันถึงถึงได้เร็ว าการสัมรวมอินทรีย์อย่างที่ว่านี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะพัฒนาจิตหรือวิญญาณาเป็นตะบะเป็นตบาาอย่างหนึ่งอย่างในอย่างในมังคลัตถทีปณีหรือในมงคลสามสิบแปด ตอนที่ว่าด้วยตาปะกัถากัตถาที่ว่าด้วยตปะะนั่นท่านยกเอาการสํารวมอินทรีย์ขึ้นมาว่าเป็นตปะเป็นตาปะก็คือการเผาเผากิเลสเป็นการเผากิเลสการก็หน้าที่ของเราก็คือว่ารักษาจิตไว้ให้เป็นปกติ เมื่อรักษาจิตไว้เป็นปกติาแล้วถึงจะได้พบได้เห็นได้ฟังได้อะไรต่ออะไรที่น่าปรารถนาบ้างไม่น่าปรารถนาบะมันก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาถือเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้การสํารวมอินทรีย์นั้นไม่ได้ไหมายความว่าไม่ต้องดูไม่ต้องเห็น ไม่ต้องสูตดดมไม่ต้องริ้มรสไม่ต้องถูกต้องพุทธะก็ทําไปตามปกตินั่นแหละแต่ว่าอทําโดยประการที่ไม่ให้บาปอกุศลรั่วไหลเข้าสู่จิตเพราะการเห็นการฟังเป็นเป็นเหตุเพาการเห็นการฟังเป็นเหตุนั่นแหละคือการสำรวมอินทรีย์ หรอว่าไม่ให้อภิชาโทมนัสเกิดขึ้นเพราะการเพราะการได้เห็นการได้ฟังสามารถจะควบคุมได้นี่คือการสํารวจอินทรีย์แ <c oughs> ้ก็เป็นการฝึกเป็นการฝึกหรือการคุ้มครองหรืออินทรียคุติการคุ้มครองอินทรีย ก็มีวิธีต่างๆมากมายในการที่จะคุ้มครองอินสีเคยคุยกับท่านที่ติดบุรีติดเหล้าติดบุรีโดยเฉพาะติดบุรีก่อนก็พูดกับท่านผู้นั้นว่าเลิกบุรีนี่เลิกไม่ยาก ก็ น, นึกจะเลิกก็เลิกได้ทันทีเลิกได้ทันทีไม่ต้องไปพอ่อนไม่ต้องไปพอรอนเลิกหาว่าขอสุขวันละสามวนกอดลังอาหารก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องอย่างนั้นแต่ว่าเลิกก็เลิกไปเลยแต่นี้ท่านผู้นั้นก็เขาพูดน่าสงสารบอกว่า ก็พยายามเหลือเกินแล้วที่จะเลิกแต่ก็เลิกไม่ได้อบางคราวบางคราวนี่ออดอาหารถึงเจ็ดวัน <c oughs> อดอาหารถึงเจ็ดวันเพื่อจะให้เลิกบุหรี่ได้เพราะว่าพอถึงเจ็ดวันก็่มาทานข้าวแล้ว เขาก็เอาข้าวกับปุรีมามาให้ขอสู ป, ปุรีก่อนขอสู ป, ปุรีก่อนสู ป, ปุรีแล้วจึงทานข้าวทีหลังฉันทานข้าวทีหลังบอกว่าเนี่ยก็เราพูดพูดกับผมนะครับบอกเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่ของที่เลิกได้ง่ายเลิกได้ยาก <c oughs> จะฝึกอย่างไรฝึกอย่างไรฝึกอินทรีย์อย่างไรให้เลิกมันได้ขนาดอดอาหารเพื่อจะได้เลิกบุหรี่เขายัางพอเขาเอาเจ็ดวันแล้วเขายัางเอาบุหรี่ไปให้กับข้าวยั ง, ยงกินบุหรี่นะสูบุหรี่ก่อน <c oughs> แล้วถามว่าแล้วตอนนี้เลิกได้แล้วหรื อ, อยังท่านพุนัน้นเขาบอกอยังเลิกไม่ได้ ก็ยังไม่เลิกแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เห็นโทษของมันก็เห็นโทษของมันไม่ใช่ไม่รู้ว่ามันไม่มีโทษมันมีโทษแต่ก็ทำอย่างไรให้เลิกได้ <c oughs> ก็มีท่านผู้ใหญ่หลายท่านที่เป็นที่รู้จักคุณนเคยก็พยายามที่จะเลิกบุรีแต่ก็เลิกไม่ได้จนจนสิ้นชีวิตไปกับบุรีจนถึงระดสูบไม่ได้เลยเออ ก็ก็เป็นโรคทุงลมพองพองถุงถุงลมพองพองแล้วก็สูบไม่ได้นั่งก็เหนื่อยนอนก็เหนื่อยพูดสักคำหนึ่งก็เหนื่อยแล้วก็จนสิ้นชีวิตไปด้วยอาการอย่างนั้นก็ก็ไม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า ทำทำไมจึง เ, เลิกไม่ได้หรือตัดใจไม่ได้เลิกไม่ได้าการฝึกอินรีให้ให้มีใจิตใจเข้มแข็งแน่วแน่ว่ า, เ, าเมื่อจะทำสิ่งใดแล้วทำได้ เ, เมื่อจะ <c oughs> ไม่ทำสิ่งใดก็ไม่ทำได้อันนี้ก็ ค่อนข้างจะยากสักหน่อยนะครับครับเป็นต้องมีจิตใจเป็นมหาธรมะสักหน่อยมหาธระมะแปลว่ามีจิตใจอุดมด้วยคุณสังสมอบรมจิตใจที่ <c oughs> ประกอบ <c oughs> ด้วยคุณ เ, เปี่ยมไปด้วยคุณต่างๆที่ฝึก ที่ฝึกดีแล้ว เ, เคยท ร, บราบว่าเขาฝึกเขาฝึกม้าเนี่ยครับฝึกม า, า, าสำหรับขับขี่ไปในที่ธุรกันดานลเขาก็มันก็นหายน้า ม, มากีนี้ก็มันก็หายน้ามากพอเขา มันมันกาหายน้ามากเราพอเขาต้องการจะฝึกมันที่นี่พอไปเอาน้ําไปาใกล้ๆปากอยู่แล้วแล้วเขาตีกลองขึ้นมาพอตีกลองขึ้นมานี่มันเป็นมาสึกเป็นมาสึกมันก็ต้องพระออกจากน้ําทันทีเลยพระออกจากน้ําทันทีเลยแล้วก็วิ่งไปตามที่ผู้เอบังคับมัน ต้องการให้ไป <c oughs> นี่คื อ, อาม้าที่เขาฝึกก็ได้รับการฝึก <c oughs> ดีแล้วอยอมยอมอย่างเนี้ยต้องยอมอย่างนี้แล้วก็เคยมีตัวอย่างในสมัยพุทธกาล นะครับีช้างชื่อปวิเวรกาถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้พอดีนึกขึ้นได้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปเปิดดูให้แน่เพราะว่าไม่ได้ถ้าจำไม่ผิดก็ไม่ต้องจำชื่อก็ได้นะครับมีช้างเชือกหนึ่งของพระเจ้าเปอร์เซนทิโกสลไปตกลม <c oughs> ไปตกลมแล้วทำอย่างไรก็ไม่ขึ้นตกลมลึก ทำอย่างไรก็ไม่ขึ้นช่วยอย่างไรก็ไม่ได้มีนายอภัทรจาริฉันหลาดบอกว่าเป็นเป็นช่างศึกเพราะฉะนั้นต้องตีกลองศึกเขาก็ไปตีกลองศึกใกล้ให้ได้ยินช่างก็รวบรวมพลังทั้งหมดถอนตัวขึ้นมาจากลมถอนตัวขึ้นมาจากลมได้ พภิกษุทั้งหลายไปบิณนบาตแล้วก็ได้ทราบเรื่องนี้ก็นำมากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าพราะผู้มีพระภาคเจ้าก็จัดว่าเธอทั้งหลายจงทอนตนขึ้นจากลมด้วยความไม่ประมาทขอเธอทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทถอนตนขึ้นจากลมคือกิเลสต่างๆที่ไม่ต้องการไม่ประสงค์กิเลส ต, ต่างๆ เหมือนกับมาศึกเหมือนมาตัวนั้นเหมือนกับมาที่ตกตกลงไปในหลมลึกแล้วก็ถอนตัวขึ้นมาได้นนี้ก็อยู่ที่การฝึกเราฝึกที่จะให้ทำอะไรหรือไม่ทำอะไรอันนี้ก็ดีมากนะครับเรื่องการฝึกตนแล้วธรรมะธรรมะการฝึกตนหรการฝึกยินซี อินทรีในโลกนี้อมีทั้งคุณและโทษว่ า, าดีก็มีไม่ดีก็มีมีประโยชน์ก็มีไม่มีประโยชน์ก็มีอินทรียานิมนุษย์สันังอินทรีของมนุษย์ในโลกนี้ฮิตายะอาฮิตายะจะมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้าง อรักขิตานิอิตายะที่ไม่รักษาก็ไม่เป็นประโยชน์อิตานิอิตายะจะอิตานิอิตายะอรักขิตานิอรักขิตานิอิตายะที่ไม่รักษาก็ไม่เป็นประโยช น, ะยะ น, ทนะยะ์ที่รักษาก็เป็นประโยชน์รักขิตานิอิตายะจะที่รักษาก็เป็นประโยชน์เพราะนั้นอินทรีย์มันเป็นของกลาง อนี้ก็ถ้าเราต้องการจะให้มันเป็นประโยชน์ก็ต้องรักษาต้องคุ้มครองต้องฝึกต้องฝึกเท่าที่จะฝึกได้ว่าให้เป็นไปตามที่ต้องการตามที่ปรารถนาแล้วก็จะได้ประโยชน์จะได้ประโยชน์เป็นอันมากเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องอินเทียสังวรในข้อที่สองใน เ, เรื่องการวิธีพัฒนาจิตหรือพัฒนาวิญญาณไปสู่ความบริสุทธิ์ในหัวข้อที่สองก็คือสังวระการสำรวมอินทรีย์หรือการฝึกอินทรีย์การพยายามเกิดทำให้อินทรีย์มีประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะเป็นได้อันนี้ก็อยู่ที่ เราพร้อมใจหรือมีความพร้อมที่จะฝึกต้องการที่จะฝึกยินดีที่จะฝึกทีนี้ในการนี้มันก็ต้องมีการเจ็บปวดบ้างเป็นธรรมดานะครับการฝึกเหมือนก็ฟฝรังฝึกมากาต้องมีการเจ็บปวดบ้างแต่ก็ต้องอดทนถ้าไม่อดทนก็ฝึกไม่ได้ไม่อดทนก็ฝึกไม่ได้ในหัวข้อต่อไปก็มีพูดถึงความอดทนนะครับ พัฒนาจิตหรือวิญญาณให้บริสุทธิ์มีอยู่เจ็ดข้อด้วยกันนะครับได้พูดมาแล้วสองข้อได้พูดมาแล้วสองข้อนะครับข้อหนึ่งว่าด้วยทัศนคือการเรียนแล้วก็ข้อที่สองคือสังวระการสํารวมดินสีทั้งหก วันนี้จะพูดถึงหัวข้อที่สามก็คือปฏิเสวนะปฏิเสวนะคือการพิจารณาปัจจัยสี่ก่อนก่อนที่เราจะบริโภคใช้ซอยปัจจัยสี่ก็คืออาหารเครื่องงงหมที่อยูวัดเสกแล้วก็ยารั ก, โกุโร ปัจจัยสีนี้ท่านสอนให้เราพิจรารณาว่าเราบริโภคใช้สอยไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อเมาไม่ใช่เพื่อความรู้ราแต่ว่าบริโภคใช้สอยก็เพื่อ ให้ชีวิตนี้ดารงอยู่ได้เพื่อป้องกันหนาวร้อนเหลือบจุงป้องกันหนาวร้อน